เดือนบัลลุธรรมเดือนที่สามวันที่ยี่สิบสามสอนภาวนาเดินทางไกลข้ามจังหวัดมาเยี่ยมชมน้าตกงามแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่พลุกพล่านนักฉันกับแฟนลุยน้ำเย็นสลับกับเดินเท้าลัดเลาะขึ้นสูงไปตามขั้นน้ำตกกระทั่งล่วงถึงช่วงกลางแฟนฉันก็ขอพักเหนื่อยยาวเพราะบริเวณ น, นั้นค่อนข้างร่มรื่นกว่าทุกจุดที่ผ่านมา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 เมื่อเห็นชัดว่าเข้ามาแล้วต้องออกไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วต้องดับลงตามธรรมชาติฉันเป็นสุขในอิริยาบถนั่งนิ่งไม่ไหวติงรู้ศีรษะตั้งสบายรู้สองแขนตกแนบลำตัวรู้ตรงไหนสบายตรงนั้นรากับแต่ละชิ้นแต่ละส่วนเป็นเครื่องกำเนิดความกเกษมซึ่งพอถึงจุดดังกล่าวฉันก็น้อมจิตทันที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 ตอนฉันนิ่งดูคล้ายเครื่องสูบลมเข้าออกขนาดใหญ่ที่มีความสุขสว่างแปลกตาดีแท้ฉันแค่ยิ้มยิ้มบอกเธอว่าภาพปรากฏภายนอกเป็นของตื้นแต่มุมมองภายในเป็นของลึกซึง้งเป็นรถอันเหนือรถเป็นสภาพที่ขอหยิบขอยืมหรือปล้นชิงกันไม่ได้แฟนฉันเบะปากนิดหนึ่งก่อนว่าฉันโฆษณาเส็จจริง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 เรียกว่าฟุ้งซ่านพอไม่มีอะไรจะคิดก็เหมอลอยไม่รู้ตัวว่ากำลังมีเรื่องใดปรากฏอยู่ในหัวบางครั้งไม่รู้ได้ซ้ำว่ากระทำการหรือตัดสินใจเลือกอะไรไปเพราะเหตุผลชนิดไหนการปล่อยให้ฟุ้งสลับกับเหมออย่างปราศจากเครื่องเกาะของสตินั้นคือความสูญเปล่าและนำมาซึ่งทุกข์อันไม่อาจพยากรณ์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 ซึ่งจะทำให้พิจารณาว่าสภาวะหนึ่งหนึ่งศักแต่เป็นสภาพเกิดแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาบางทีจะง่ายกว่าสังเกตของตัวเองซะอีกถ้าว่าด้วยความพี่คนรักของฉันไม่สมัครด้วยตนเองมาแต่ต้นพอทำทาไปแล้วเหมือนจะหลับเธอก็ลืมตายิ้มให้เพลียๆสังเกตด้วยตาโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยจิตสัมผัสก็ทราบได้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 ตื่นขึ้นมาก็บอกว่ารู้สึกดีและจะพยายามทำอีกเรื่อยๆคำพูดของเธอทำให้ฉันเกิดกำลังใจและมาหมายว่าความสัมพันธ์อันดีกำลังจะก่อตัวขึ้นในอีกรูปแบบหนึ่งคือเป็นกาละยานามิตรให้แก่กันและกันไม่ใช่คบกันเพียงเพื่อเสพสุขร่วมกันแบบโลกๆเหมือนคู่อื่นไหน